เราก็ตะวัดจบอหู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลองใส่ใจตั้งใจฟังคำพูดในคำพูดอาจจะมีประโยคใดประโยคหนึ่ง ที่มเป็นทิศทางเป็นการชี้ทิศทางเราก็เป็นทิศ ท, ท, ท, ท, ทางที่ตรงไปตรงมาน้อมก็มาก็จะเห็นทิศเห็นทางหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ไปสู่เป้าหมายนั้นได้ตรงๆจริงๆเช่นที่นี่น αι, เราจะได้ยินซ้ำๆ ประโยคนหนึ่งก็ว่ารู้สึกตัวม้ำๆหรือว่าเจริญสติอีก <S S> <c oughs> ประโยคนหนึ่งก็คือความเป็นปกติ <S S <c oughs> สามประโยคนนี้มันมีที่ตัวเราอยู่แล้วละความรู้สึกตัว ร่างกายของเราการเคลื่อนการไหวจากหยาบหรือว่าละเอียดมันมีอยอะยิ่งเรามาฝึกมาหัดการเคลื่อนการไหวละนาณะิบสีจังหวะมันเป็นความรู้สึกตัวที่มันชัดเพราะเราใส่ใจเราตั้งใจอย่างเมื่อกี้ที่เราสวดเรามีความเพียนก็คือ การที่เราประคับประคองเบื้องต้นนะประคอ ง, อ ง, นนะคองมันเป็นองค์แห่งความเพียนตั้งใจใส่ใจการเคลื่อนการไห ว, วแต่ละขณนะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมมันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่รัวสร้างจังหวะสิบจังหวะก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ การเดินจงกรมมันก็ไม่ใช่เดินจงกรมธรรมดาธรรมดามันก็เป็นการใช้ชีวิตนั่นแหละ <Yeah. S 1> เดินไปไหนมาไหนถอยหลังห <Yeah. S 1> รือว่าเคลื่อนตัวไปข้างๆมันก็ใช่ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวได้ <Yeah. S 1> นอกนั้นก็ยังมีอีก บางทีแล้ก็พระเปียกซ้ายพระเปียกขวาจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินมันก็มีการเคลื่อนไหวตลอดนะกระพริบตาหายใจนี่ก็ใช่นะรู้จนกรทั่งมันรู้ทั่วสารพางกายนะมันเป็นยังไงสารพางกับพื้นที่ทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานี่ยแหละนะ ตรงตัวหวจะรดเท้า <Yeah. S 1> กายภายนอก <Yeah. S 1> จนเห็นกายภายใน <Yeah. S 1> กายไปนอกก็ดุลก้อน <Yeah. S 1> มันก็นั่งเป็นตัวหนังตะลุงเป็นหุ่นยนต์ <Yeah. S 1> เป็ น, นกลไกอะไรกันไม่รู้ของธรรมาชาติ <Yeah. S 1> บังคับบัญชามันก็นไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าการใช้มัน ทำงานทำการบางเรื่องบางราวนะมันใช้ได้แต่บางอย่างนะมันไม่ได้เช่นใช้มันบอกเออหัวใจหยุดเต้นนะไม่ได้อยู่ๆเอาจิตไปสั่งมาเลยไม่ได้เฮ้ยอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะเนี่ย่งมันไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาเาก็ได้เห็น สิ่งที่มีอยู่จริงๆแหละมันแสดงออกตามอาการของมันแต่ละกันะต่ละกันะแต่ละกัน ะ, ะตามนิสัยความเคยชินคุ้นชินอะไรก็ตามเห็นกายดุนก้อนเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเป็นความรู้สึก ความคิดจิตใจมันก็มีการเคลื่อนการไหวแทนที่จะรู้กายอย่างเดียวนะรู้ทั่วสารพางกายอย่างเดียวมันมีจิตมีใจที่มันละเอียดแล้วมันก็มีอาการต่างๆมากมายเหมือนกันเป็นสุขเป็นทุขกข์กระแะไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่า จิตมืนกับใส่กายอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 2> มนุษย์รัศสาราสิ่งต่างๆ <Yeah. S 2> มีกายมีใจ <Yeah. S 2> มีจิตมีใจเรามีปัญหาต่างๆ <Yeah. S 2> มีธรรมชาติต่างๆ <Yeah. S 2> แล้วก็มีปัญญาด้วย <Yeah. S 2> ความคิดนะแต่คิดเป็นก็เป็นปัญญาแต่ถ้าคิดไม่เป็นมันก็เป็นปัญหา เราก็มาเห็นอาการของความคิดไม่หวาเป็นปัญญาแล้วเป็นปัญหาเราเจริญสติฝึกสติอยู่ก็เห็นจะเห็นความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาทั่วสารพรางกายมันเห็นจิตตสังขารเห็นกายยสังขารเนโยกไปหาจิตสังขารเป็นการปรองการแต่งคำว่าสังขารปรุงแต่งการที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นธรรมดาธรรมดาก็เห็นเป็นรูปเป็นนาม เป็นอาการอ้อเราเลยอ้อเลยก็ว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเห็นอยู่ที่กายเนี่ยแหละเห็นจิตเห็นใจอยู่กับกายเลยเป็นความรู้สึกตัวด้วยมันก็แยกได้แล้วกันเนี่ยอ๋ออันนี้นนเป็นอาการของกายนี่เป็นอาการของจิตเป็นความรู้สึกที่กายนี่เป็นความรู้สึกที่จิต อันนี้ความรู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ริ้นอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยพอดูไปดูม า, อ, าอ้าวอันนี้เราเกี่ยวข้องกับตัวเราเองถูกแล้วกันเนี่ยเวลาเคลื่อนมือเราเกี่ยวทอก้อ้องกับมันถูกอันนี้บทฝึกหัดแบบฝึกหัดนะไว่าจะเคลื่อนมือจะดูลมหายใจนีดูท้องพองยุบอย่างเงี้ยนะบางทีจิตของเราก็คิดไปอย่างสวดมนต์เนี่ยก็ติดได้ สวดมนตวันครึ่งชั่วโมงนะลองสวดทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมนอกสาราหรือที่ไหนก็ตามเวลาเราตั้งใจนะามาแล้วอรหังสัมมากรมาแล้วนะโมตัสสากกมาแล้วบทใดบทหนึ่งก็มาแล้วมันติดนะหรือบางทีก็เป็นความคิดนะที่เคยคิดแบบไหน ซ, ซ้ำซ้ำซกัซกๆคิดในทนของจิต เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะเอาละมาละพื้นฐานของจิตเป็นบุญเป็นกุศลใจดีใจงามก็จะคิดแบบดีๆมาละเราก็จะยกมือมันก็มาแล้วคิดถึงธรรมะคิดถึงหนังสือคิดถึงแผ่นซีดีคิดถึงคำพูดต่างๆที่ประทับใจโดนใจ มันไม่คิดถึงแคนะ่คำพูดธรรมดาหรือว่าหนังสือหรือว่าสือ่อต่างๆมันอาจจะคิดถึงบุคคลที่เรารักพ่อแม่ญาติมิตรสามีลูกต่างๆอยากจะให้เขารู้เหมือนที่เรารู้อยากจะให้เขาได้ยินเหมือนที่เราได้ยินอยากให้เขาอ่านเหมือนที่เราได้อ่าน มันก็คนมีลูกเวลาเห็นอาหารคนมีพ่อมีแม่เวลาเราเห็นอาหารรับประทานอาหารอยู่มันไม่ใช่เรากินแล้วเราอิ่มอย่างเดียวมันก็คิดถึงอยากให้เขามานั่งกินกับเราด้วยอยากเอาไปกวาดกับด้วยมันไปไหคิดถึงแบบนั้นความรู้สึกตัวมันก็จะทำให้เราเห็นตัวเราเองนะแ ง, ง่มุมต่าง บางทีก็คิดถึงความไม่ดีใครทำกับเราเราทำกับใครใครพูดกับเราเราพูดกับใครทำให้เสีย อ, อกเสียใจบางทีมันก็สำนึกขึ้นมาไม่น่าทำเลยไม่น่าพูดเลยมันก็มารูปรอยของการคิดบวกบวกลบๆบบุญบาป เรก็เห็นแล้วอ๋อนี่ลักษณะการของจิตเหรอเนี่ยหน้าที่ของเขาชอบคิดแบบนี้เหรอเนี่ยได้ยินได้ฟังมาไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยมันจริงหรือมันจะง่ายขนานดะ น, น, นั้นเหลยปฏิบัติธรรมแต่พอทําไปทํามาดูกายไปดูกายมาเห็นกายไปเห็นกายมาเป็นรูปธรรมเห็นจิตมันเป็นนามรูปยเ มันเป็นนาไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็เป็นรูปด้วยเราก็จึงเนี่ยโอ้อาศจรใจธรรมะมันมีอยู่ที่ตัวเรานี่เองไม่ต้องไปหานอกตัวต้องไปวัดไหนต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนลึกลับถึงในป่าลึก <ส Boy. S 1> ก็ว่าช้างเผือกมันอยู่ในป่าจะไปตามจับช้างป่า ต้องเข้าป่าไปด้วยช้างเผือกอยู่ในป่าโอ้กว่าจะหารถดีๆสักคันกว่าจะหานะสเบียงเตรียมกว่าจะศึกษาแผนที่รู้ทิศรู้ทางกนะว่าจะเข้าแวกนะไปถึงตัวกูบาจารนะ์ต้องผ่านนะบุคคลต่างๆมากมายนะคนลักคนปกป้องนะคนที่ห่วงใย คนที่ยุดติดนะครูบาอาจารย์ขว่ายาแแบกเข้าไปได้มันก็ไม่ง่ายนะเลยไม่ได้รู้สึกตัวสักทีนะเป็นไปได้ไหมลักษณะนี้ยอมว่านะพอมาที่นี่ปั๊บบอกเลยรู้สึกตัวนะให้เราเป็นครูสอนตัวเราเองนะนะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วของวัดวารามแต่นะนะเราไม่บอกก็เรื่องนี้บอกเรื่องอะไร ทำไปพาทำเรื่องแบบนี้ไปพาทำเรื่องอะไรกันนะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดแล้วนะแต่ว่าคนมีปัญญาเท่านั้นนะสะับตับฟังแล้วจะได้น้อมเข้ามาใส่ตนพาตัวเองปฏิบัตินะเพราะเรื่องลักษณะอย่างนี้นะการปฏิบัติแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องคนมีปัญญานะมีความทุกข์และเห็นความทุกข์นะต้องการออกจากความทุกข์แก้ปัญหาชีวิตของตนอย่างี้ เราไม่ได้ฝึกเพื่อที่ไปแก้ปัญหาคนอื่นหรอกเราจะแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละนะเราเคยทุกขนะ์เราเคยมีปัญหามาเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะเรื่องของสุขภาพนะบัดนี้เรามีทางออกก็คือความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรนะพอเรารู้สึกตัวใจมันก็เป็นปกติเรามีร่างกายเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือเราก็ใช้มันฝึกมัน เอากายมาเคลื่อนมาไหวเอามือมายก14บสียงวัดตอนทศจะไปร้องลําทําเพลงฟ้อนนะกลายเป็นบุญผีบ้านะเป็นยังไงทําบุญผีบ้าเอามือไปทําบุญผีบ้าเกิเห็นไหมเวลาก็แห่หน้างานบวชตีกองยาวนะถ้าเป็นแถวภาคตะวันออกภาคกลางนะกองยาวถึงถึงถึงโป้องถึงน ถึงโป้งถึงโป้งถึงโป้งถึงตีก็ไปฟ้อนก็นไปถือรองเท้าเมาเหล้าบางทีถือขวดเหล้ายก mm hmm. เต้นไปเต้นมาเคยมีที่ปากน้ำระยองที่ปากน้ําวัดปากน้ำระยองมันมีรังพึ่งอยู่รังใหญ่ๆตรงโบสถ์ mm hmm. ก็แหกกองยาวอย่างนี้แหละ mm hmm. ตีกันพึ่งถึงถึงโป้งถึง เพิ่งวันลงมาต่อยซะไม่มีวันนั้นทั้งนาคทั้งคนที่ตีกองยาวทั้งข บ, บวนแห่กันกระเจิดกระเจงิงแล้วมันมีคลองปากน้ำระยองก็ะโดดลงไปอยู่ในน้ำวันนั้นสนุกไหมงานบวช <c oughs> ก็นึกภาพออกกันแล้วกันแววิสารนี่มีเยอะเวลาไปไหนมาไหนเห็นแห่กันเต้นลำกันหน้าดำกลางแดดร้อนเปลี่ยง ไม่มีความละอายแล้วก็มีคนนึงใกล้ๆบ้านนะเขาร้านค้าหน้าวัดนะพอมีงานบวชมีกองยาวเขาจะต้องออกมาลำทุกครั้งนะก็เคยถามก็าว่าลำทำไมก็ชื่อเจเรือนเจเรือนนะตอนนิมรวดตายไปหรือยังนะจากกันมานานแนละ้วเจเรือนนี่เป็นคนหน้าตาดีนะแต่ว่าเวลาประมาเต้นนะ งานบวชเราก็ดูนะมันไม่ใช่ความรู้สึกเราไม่ใช่ใช่หรือเอาบุญแบบเนี้ยบางทีเราก็ไปเอาบุญอะไรกันก็นไม่รู้นะแปลกแปลกนะบุญตัวนี้ไม่เอากันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่เป็นบุญที่สูงที่สุดในศาสนาเลยนะเป็นบุญที่ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะทุกครั้งที่มันรู้สึกเนี่ยนะตรงเนี้ยมันเป็นทางเดินไปสู่การพ้นทุกเลย มันออกมาจากความคิดนีเพราะนั้นอารมณ์เบื้องต้นแนวหลวงพุทธิเนี่ยให้มารู้รูปนามการเคลื่อนการไหวนั้นเป็นรูปเป็นนามกันอย่างไรมันมีดุนก้อนมัมีการสัมผัสมันมีความรู้สึกมันเป็นตัวกายในกายทุกๆขณะลองสังเกตดูปัจจุบันขณะที่มันสอดคล้องไปเนี่ยการเคลื่อนการไหวมันมีอะไรธรรมชาติของกายมันก็แสดงออกมาอยู่แล้วให้เราได้นะ รับรู้รับทราบได้สัมผัสนะความคิดเวลาว่าไหวให้เกิดขึ้นมานะสิ่งนั้นเราไม่ได้สร้างนะมันเกิดความเป็นเองขึ้นมานะมันเป็นไปนตามกรรมหนะรือว่าวิบากที่มันฝังอยู่เป็นธรรมชาตินะเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมันฝังอยู่นะโบราณท่านว่าไวนะ้รู้ว่าผู้รู้ ท่านว่าไว้ว่าสวรรค์นก็อยู่ในอกนี่แหละนรกมันอยู่ในใจนี่แหละคนที่ทำดีมันก็เขียนอยู่บนแผ่นบัญชีทองคำยมพบาลก็มีสุวรรณยังไงคอยเปิดบัญชีดูทำดีแลือทำชั่วมาถ้าทำชั่วก็บันทึกไว้ในบัญชีหนังหมาเน่าเคยได้ยินไหมเรื่องราวแบบนี้นันก็แปลกดี แล้วมันก็มีจริงๆด้วยนะพอเวลาเราทําดีมันกระทบไปครั้งหนึ่งจดแต้มไปครั้งหนึ่งเวลาทําไม่ดีมันก็จดแต้มไปครั้งหนึ่งเป็นบุญเป็นบาปอยู่นั่นแหละตอนนี้เรามารู้สึกตัวอ่ำก็เป็นแต้มเหนือบุญเหนือบาปแต้มหนึ่งเหมือนกันทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวจิตปกติมันกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันเหนือบุญเหนือบาปไปอีกองถ้าเป็นบุญก็ถือเป็นบุญสูงสุดเลยทําให้เกิดความฉลาดขึ้นมา หลวงพ่อทำคำเขียนท่านเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นประธานสงของวัดป่าสุโตปกติท่านก็ไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ของท่านท่านไปเจอกับคนคนหนึ่งท้ชื่อตาลีอยู่ที่ตีนเขาตาลีเนะียอยู่ๆตาลีตาเลือกเลยนะ มาหาหลวงพ่อมาเขียนโอ้สวรรค์นรกมันมีจริงๆมันมีจริงๆมันเป็นยังไงเออของพ่อโอ้ผมนี่รอดตายมาขับรถไปตกตะพานก็นอนจะหลบอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยลูกๆก็หาว่าผมตายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไง ผมเองตอนนั้นมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ในโลกมนุษเนี่ยมีไอ้คนสองคนมันกนาบผมไปหน้าตามหน้ากลัวหน้าดูเลยมันหิ้วผมไปลแล้วไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักเลยอะ่นะเสร็จแล้วมันพาไปเจอกับคนอีกคนหนึ่งหน้าตาหน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวไว้สองตัวที่พาไปอีก เสร็จแล้วมันก็เรียกผมในสีผมก็เถียงมันทันทีเลยผมชื่อลีมันก็ดุผมมันก็ว่าแกนะชื่อสีเปล่าผมชื่อในลีแล้วก็สั่งให้อีกคนนะเปิดบัญชีดูว่าผมเนี่ยทำอะไรมาม้างมันเปิดบัญชีผมดูแล้วก็ว่าผมเนี่ยโหเป็นคนบาป เป็นคนที่ไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่ทำบุญทำทานผมก็เถียงมันนะผมเนี่ยเป็นมคตายกผมชื่อลีผมไม่ได้ชื่อสีผมเป็นมกตายกนะพระครูโอภาษ์นผมเป็นมคตายกตองอารัตนาศีลผมก็เถียงมันมันก็บอกไม่ต้องมาเถียงนะแกนะมีลูกสามคน๋อไม่หรอกผมมีลูกอยู่คนเดียวผมเถียงมันมันพูดไม่ถูก เสแล้วมันบอกไม่ต้องมาเถียงแนะก่ก็บอกว่าผมไม่ได้เถียงครับนี่คือความจริงครับผมชื่อลีแล้วผมก็เป็นมักระไยกด้วยท่านปูไปถูกท่านใดนั่นเองก็มีเสียงเรียกในลีในลีมาม า, มาได้เวลาแล้ววันนี้เป็นบันพระนะมาอาราธนาศีลหน่อย น, น, นั่นเห็นไหมเห็นไหมพระครูพาดเรียกผมแล้วนะให้ผมไปเธอให้ผมไปเธอผมเป็นมักระายกลกไปผมไปเธอนะปรากฏ่อ้คนนั้นที่น่ากลัวนะย้อมาโทษมันก็บอกว่าเออเฮ้ยเองเอาตัวเข้ามาผิดเอาเข้าไปส่งทีนึงปรากฏว่าผมฟื้นขึ้นมาเหลือเชื่อจริงๆ ในสีที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะั้นตายตทันทีเลยหลวงพ่อ mm. มเขียนมาเล่าให้ฟังโอ้มีจริงๆนะงไงทันว่าแต่ว่าจะไปพูดถึงมันเลยอันนั้นมันหลังจากทีนะ่เราอยู่ในโลกนี้แล้วตายไปแล้วนะตอนนี้เรามีชีวิตนะให้มาสนใจกับเรื่องตรงนี้ดีกว่าฝึกสติใครก็จะสอนอะไรให้เขสอนไม่ใช่เราสอนกันเรื่องการฝึกสติดีกว่าเนี่ย mm. เพราะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงะตายแล้วจะไปไหนนะหรือว่าทำดนะีมันจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนนะยังไม่ต้องไปสนใจมันนะอีกกรณีหนึ่งถ้าเราให้ฟังว่ามีคนอยู่คนหนึ่งก็นะไปผ่าตัดมะเร็งในต่อมลูกหมากนะอันนี้ที่เมืองเลยเนะชื่อพอตู้เนะขาก็นอนร้องโอ้ยโอ้ย โลกดาล้านสุวกูมาฆ่าทำไมสุวะกูมาฆ่าทำไมกูไม่ได้ทำผิดอะไรสักหน่อยอกูกลับไปกูกลับไปนะมันทรมานผ่าตัดเนี่ยนะพยาบาลก็เอาเชือกมาผูกเอาไว้กับเตียงไงผูกตีนผูกแข้งผูกขาผูกแขนอย่างเงี้ย น, นะเจอแล้วก็ทรมานมากเจ็บปวดจากการผ่าตัดนะเพ้อดิ้นทุรนทุรายนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ไปเยี่ยม เป็นเพื่อนคนทุกข์พอไปเยี่ยมปั๊บเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าโอ้พ่อคลุมคลั่งมากครพ่อเก่งก็ค่อยๆเดินเข้าไปพูดเบาๆเรียกปะตูะตู่เอามือไปสัมผัสจำค่อยได้บอ่ะตูก็เห็นเป็นพระนะก็รู้สึกได้ ทุรนทุรายแล้วก็สงบสงี่ยมโอ้ oh, จาได้อัญญาคาเขียนอัญญาหมายถึงว่าอาจารย์น่ะนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าอัญญาอัญญาคาเขียนเออรู้สึกตัวบอ่อพอตูพูดเป็นภาษาอีสานน่ะนะหูเมื่อบอ่อหรืออะไรเนี่ยตำนองนี้แหละรู้สึกตัวไหม อ๋อรู้ในยกมือซ้ายขึ้นมาสิประตกัยกมือซ้ายยกมือขวาขึ้นมาซิประตกับยกมือขวาอะในลองพลิกมือคว้างพลิกมือหงายความรู้สึกตัวนะหงายรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวนะหงายรู้สึกตัวนะปอะตกับความหงายความหงายพลิกมือรู้สึกตัวไม่นานนัก พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปค่อยๆหลับตาหลับกลอนครอกคอกอหลับสบายไปเลยดีไหมแทนที่จะทุรนทุายคุ้มกลั่งเบย่อไวโวกเวกนอนหลับสบายความรู้สึกตัวมันดีขนาดนั้นนะ ร่างกายของเราจิตใจของเราพอมีความรู้สึกตัวลงไปทันมันก็ช่วยเยียวยาแก้ไขให้มีปัญหาอะไรเช่นเรานั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อมารู้สึกตัวมันก็ช่วยแบ่งเบาแทนที่จะปวดเต็มร้อยอย่างเงี้นะด้วย จ, จิตของเราไม่มีปัญหาขึ้นมาคิดแล้วมันบกวนมันหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำเครียดเนี่ย เรามารู้สึกตัวมันจะค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายคลายออกมานันะมันเป็นที่พึ่งนะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งกายทั้งใจนะตัวสติเป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะมันจึงจําเป็นต้องมีทุกคนนะเความเป็นบุญสูงสุดนะบุญคำ้ำบุญชนะูใครขาดบุญมันก็ไหลสู่ความตายความเสื่อมนะบุญคือชื่อความสุขนะที่ได้มาโดยชอบ ความรู้สึกตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะไม่ต้องเสียเวลาที่ไหนเลยกายก็อยู่ที่นี่และนะ้วใจมันก็อยู่ที่นี่และใจอยู่กับกายนะก็กายเป็นความรู้ขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะทำได้ทุกคนนะแต่เป็นเรื่องคนมีปัญญานะเห็นว่าเออนะวิชาพุทธศาสนาพุทธศาสน์ ม, มีอยู่เป็นหนึ่งวิชานะในโลกนี้ ในหลายๆวิชานะจะเรียนรู้ก็รู้ไปแต่ว่าท้ายสุดจบแล้วก็ยังทุกอยู่แต่วิชาพุทธศาสตร์เนี่ยมาจบแล้วจบเลยนะมันไม่ทุกอีกต่อไปปริญญาติปริญญาโทรนะปริญญาเอกจบแล้วก็ยังมีความทุกอยู่แต่วิศาสนาเนี่ยเรียนจบปับ๊บนะเหมือนกับจบทุกศาสตร์พร้อมๆกันแหละ mm hmm. เช่นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะสมัยเป็นเจ้าชายสิทธะ เขาอ้างกันว่าเขาเล่ากันว่านะเขาล่าลือกันว่านะจบถึง17เจปริญญา17าศาสตร์นิติาศาสตร์ก็จบดาร า, าศาสตร์ก็จบพนะยาบาลก็จบหมอก็จบประเป็นสักยะโคตรโอรสสาธิตลาชนะวิชาทหารก็จบภาษาก็จบนะมันมีภาษาบาลีเรียกด้วยอย่างเช่นหมอเขาเรียกติริจนาะ พยาบาลเขาเรียกว่าคณิกะวิศวะเขาเรียกวโยคะมายาวิชา ย, ยุทธ์สงครามวิชาทหารคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เรียกวสังคยนน า, ยนนาจบมาท้ายสุดก็ยังทุกข์อยู่ออกสแสวงหาโมฆนะธรรมว่าย้นหามาพบหนกะปีเต็มบำเพ็ญทุกขากิริยานะเอาวิชาของโยคีนะมาฝึกหัดปฏิบัติ นอนเสี่ยนนอนน้ำทรมานตนท้ายสุดก็บพบทางออกนะวิธีที่เราฝึกนี่ทุกมันเกิดที่กายมันไม่ใช่นะมองเห็นอะไรบางอย่างสัมผัสการอะไรบางอย่างหลังจากสังเกตมานานนะก็มาพบทางออกทุกมันเกิดที่จิตที่ใจของเรานี่เองเรียนะวทุริยสัจ4ีนะ่ก็เลยเริ่มต้นใหม่นะก็วิสติดูจิตนะก็เห็นจิตอ๋อมันคิดไปเผลอคิดไป มันคิดไปมันมีคู่ปรับเนี่ยกับมหากายสิมหาลมหายใจเรียก ว, ว่าอาณาปาทัศติอย่างเงี้ยนะไอ้หมดที่เราทำอยู่เขาเรียกว่าสัมบัญญัติปรัชญาในภาษาของพระไตรปิฎกมันมีอยู่สัมบัญญัติปรัชญาการเคลื่อนการไหวการคู่การเหยียดอวัยวะคู่เข้าเหยียดออกนะการเดินจงกรมก็คือการเดินกลับไปกลับมาการเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลัง การทรงสังกติจีวรการใส่เสื้อผ้าต่างๆของพวกเราถือบาทบินตบาทก็เราคือถือช้อนถือถาดให้มีความรู้สึกตัวการนั่งการนอนการยืนการคูกการเหยียดการเคลื่อนการไหวการกินการขับถ่ายการกินการเคี้ยวการกลืนนี่ก็เป็นการฝึกสติด้วยเราก็จึงไม่นิยมกินไปคุยไปมันอาบัตถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นญาติโยมก็คือมันวิบัตินั่นแหละ มันจะไปถึงไหนกันกินไปคุยไปเดี๋ยวก็สำลักเดี๋ยว ก, กัดลิ้นเจ้าของไปเดี๋ยวก็กางติดคอเนี้ยเป็นเรื่องของการฝึกสติทั้งหมดให้รู้เนื้อ ร, รู้ตัวรู้สึกตัวทุกๆ ก, กิจกรรมการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งต่างๆมันเป็นฐานการปฏิบัติทั้งหมดเลยเราก็จึงมาฝึกมาหัดกันไม่ปล่อยเที่ยงปล่อยกว้างทั้งในรูปแบบตอนนี้หลายคนก็เกินเมื่อ14บสี่ชั่งวะอยู่ บางคนก็อาจจะนั่งง่วงเหงาหานอนนะก็ตัวใครตัวมันก็นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ไมนะ่มันก็ต้องเสียเวลานะไปกับการทํางานทําการเรื่องอื่นกันนะเพราะว่าองค์สมเด็จสัมสมาเจ้าถึงจะจบมา17ปริญญาทนะ้ายสุดพอศึกษาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษ า, ก, ษากายศึกษาใจได้คําตอบนะก็นําไปบอกหลายคนก็จึงบรรลุธรรมนะตั้งแต่วันเป็นเดือน8 อัญญากนัญญาบรุธรรมจน้งทั้งวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆาบูชานะพระสงค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนะนึ่น้คนรวนแล้วแต่เป็นพระขีนาศก็คือเป็นพระลรหั น, นะปนไปไปได้ยังไงนะถ้าจรรมความเป็นจริงนะเป็นเรื่องโกหกนะเป็นเรื่องที่หลอกลวงกันนะมันก็คงไม่มีนะ สาวกอริยสาวกหรือว่าเหล่าพระรหลานเกิดขึ้นมาจนถึงยุคเรานะซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์อีกมากมายเละเกินโยมนะหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชาอาจารย์พุทธทาสหนะรือว่าเหล่าเหล่านี้หลวงตามหาบัวนะมรณภาพไปนะหลวงปู่เทียนก็มรณภาพไปแล้วอย่างนะี้แต่ว่าตัวตนก็ยังมีอยู่เช่นหลวงพ่อขียนหรือว่าครูบาอาจารย์อีกมากมายซึ่งท่านผู้ถึงการ พนทุกนะมีความทุกข์กันส่วนใหญ่แต่ว่าไม่เห็นทุกข์กันแล้วก็ไม่มาปฏิบัติจึงไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์อย่างเงี้ยท่านก็เป่าประกาศนะตีคองร้องเป่าให้คนทุกคนาหันมาดูแลตัวเองกันให้คุ้มนะถลักตัวเองเป็นมันถลักคนอื่นเป็นเมตตาตัวเองได้ก็สามารถเมตตาผู้อื่นได้เนะมื่อรู้เราสามารถบอกตัวเองมันก็บอกคนอื่นแน่นอนมันจะเก็บไว้ทําอะไรคนมีกระตัง มันจะเก็บกระตังไว้กับตัวทําไมมันก็ต้องใช่ละใช้ทางกายทาั้งใช้ทางวาจาที่สำคันก็คือตัวเองไม่ทุกข์แล้วก็ไปบอกคนอื่นถึงว่าถ้าคุณทุกข์นะคุณควรจะนะออกทางไหนทิศทางมันมีอยู่ชี้ทางออกบอกทางสว่างให้นะมันมีอยูนะ่เราก็จึงไม่นะ่เหมือนกับว่าเป็นไก่ได้ปลอยนะก็คือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรนะ ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ทําไปทําไมไงไก่ได้พลอยไปอย่างไม่เห็นคุณไม่เห็นค่าและทายสุดก็คือทิ้งเอาไว้ที่นี่แหละและอีกกี่พบกี่ชาติกันจะได้มาเจอมาเจอแล้วก็พบได้ยินได้ฟังเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่เรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของการเคลื่อนการไหวแล้วก็พากันทําแบบนี้มันจึงเป็นชุมชนที่หาได้ยาก เระนั้นพวกเราได้โอกาสแล้วก็ทํากันเต็มที่เลยวันนี้ตั้งแต่เช้าบัดนี้เลยจนกระทั่งเย็นนะเราใช้การเคลื่อนกันไว้เดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะกันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเป็นความโมก ง, ง่วงเป็นความเบือ่อคิดฟุ้งซ่านต่างๆละของดีให้รู้ไว้เลยมันเกิดมาเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันหรอกนะมาเองเดี๋ยวมันไปเองไม่ได้เสียตังจ้างมาสักนิดเดียวนะแล้วแถมมันมาบอกทิศบอกทางด้วย ประทางสายกลางมัชจิมาปฏิปทาเนะี่ยอยู่ตรงไหนนะเราจะปรับสมดุลมาสู่ความเป็นปกติได้อย่างไรพนะราะเราจะใช้องค์แห่งความเพี่ยนนะตั้งไว้ประคองไว้สลัดคืนพวกนี้นแล้วองค์แห่งสติก็คือพยามนะรู้สึกที่ฐานกายรู้เนื้อรู้ตัวกายนี่แหละแล้วลเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาตนะิมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องเราก็คือขยนันเคลื่อนขยนัขยนไหวแล้วรู้สึกตัว เนียนะก็ขอให้นะการวัดดีของเราทั้งหลายนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเถิน